พวกเด็กโรงเรียนรง่อรุณเด็ก น, นะยืนให้หลวงพ่อดัหนะ่ะลุกขึ้นยืนหนะ่อยเออนั่งไดนะ้ใช้ได้นะดีอนนา แล้วมืดตื้อใช้ไม่ได้กิเลสมันครอบคนกิเลสแรงๆมันมืดลืมประกาศผลไปอันนี้คุณมาลีคุณพี่มาลีต้องยำเนะเพราะว่าบางคนเรียกป้ามามากไป ที่มาลีพาลูกศิษย์มาให้ดูสอนลูกศิษย์ได้ดีรู้ตื่นเบิกบานแยกธาตุแยกขันได้มีอย่างติดเพ่งอยู่คนตรงคนแต่โดยพื้นฐานใช้ได้ดสอบผ่าน อาที่หน้ารู้สิทธ์ฟ้านะต่อไปลูกสิทธิ์สําลานสําลานไปดูลูกสิทธิ์นะิดหนึ่งมันมืดแล้วมันมีแต่ความสุขนั่งฟังแล้วมีแต่ความสุขนะมันไม่ไม่ใช่อะมันจะคล้ายๆคนติดยาต่อ น, นานแล้วมีแต่ความสุขยาวนานไป พวกเราต้องเฉลียวใจเลยมันต้องมีอะไรพลาดนะล่ะหรวงพ่อเคยพลาดเหมือนกันมันเป็นทุกคนอะ่ะมันมีริตาสนูบางตัวนะภาวนาไปแล้วมันเหมือนไม่มีกิเลสใจสบายว่างแต่ถ้าประกอบด้วยโมหะมืดไปใ่สบายแบบมืดมืด ก็ไปเล่าให้ฟังหลายครั้งนะฟังจฝังใจนะในะเลยนาไปแก็ใจมันเคลื่อนออกพ้างนอกไม่เข้าฐานใจไม่เข้าฐานแล้วก็มันไปว่างอยู่ข้างหน้าสว่างสวายเลยนะตอนนั้นไม่มืดนะจิตเนี้ยสว่างไปหมดเลยแต่มันมีความสุขความสุขนั้นอยู่ตั้งปีกว่า หลวงพ่อฉเฉลยวใจว่าเราต้องทำอะไรผิดแล้วพระพุทธเจ้าสอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาทำไมเราภาวนาแล้วมันเที่ยงวะม่นสบายอยู่อย่างเงี้ยทำไมมันมีแต่ความสุขนะเบาโล่งโปร่งท่านสอนอนัตตาไม่อยู่ในอานาจบังคับถ้าไม่เราบังคับได้เราจะทรงอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้ มันต้องมีอะไรผิดแต่ตอนนั้นดูเองยังไม่ออกนะแต่รู้ว่าผิดแล้วแต่ผิดยังไงยังไม่รู้พอดีขึ้นไปบ้านตาสมัยนั้นหลวงตายัางเรายัางเข้าถึงท่านง่ายนะตอนนี้เข้าถึงยากที่สุดนะคนที่เข้าถึงท่านได้มีน้อยเต็มทีเลยนะสมัยหลวงพ่อไปเรงกับท่านเข้าถึงง่าย ไม่มีใครเข้าท่านหวงห้ามอะไรไม่มีเข้าถึงตัวท่านท่านกำลังวกวกักวกวักอยู่นะท่านน่ารักแบบของท่านนะท่านเออาอา ะ, ะูกำลังดูพระจัดอาสนะจัดฉันข้าวท่านก็นั่งพิงเสาอยู่สี้องค์นู้นองนี้ทำงานช้าก็ไม่ได้นะ ทำงานเร็วขาดสติก็โดนดุอีกเรียกว่วาเล่นทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะสไตล์ครูบาอาจารย์นะท่านรักลูกศิษย์ท่านเข้มงวดเราก็คลานเข้าไปหลังท่านเข้าไปหลังท่านขอโอกาสครับท่านหันมามองหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ว่าแล้วก็เชิงพระต่อบนะ เป็นที่พอใจท่านทันหนัาว่าไงแล้วกลับเรียนท่านหลงพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่พัฒนาเลยไม่มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเลยมันผิดตรงไหนท่านมองหน้ารัดท่านก็ตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้ว ที่วัดดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วจิตไปอยู่ข้างนอกแนละ้วแต่ท่านไม่ได้บอกว่าจิตอยู่ข้างนอกนะที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกแค่นี้หลวงพ่อพอใจแล้วปราบท่านถอยออกมาห่างท่านนิดหน่อยไม่กี่เมตรหรอกช่วงนั้นไม่มีคน แล้วนั่งพุโทโธไปพุโทโธพุธโทโธพุทโธไปท่านบอกให้อะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้นี่ประสบการณ์ของท่านเพราพุโทโธพุธโทโธนะใจแน่นเหมือนจะแตกเลยใจไม่ชอบพุโทโธใจไม่ชอบพุโทโธหลวงพ่อก็พิจารณาทําไมท่านจะให้พุโทโธปกติพุโทโธเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิเราทําสมาธิผิดลรืมั่งหรือเราบกพร่องในเรื่องสมาธิ หลวงพกลับไปทํำอนาปนสติเลยแต่ประกอบพุโทโธเรื่องหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธหายใจเข้าพุทออกโทธหายใจอยู่ไม่นานนะจิตรวมจิตรวมโอ้ยที่ผ่านมาจิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ข้างนอกเสียเวลาไปอยู่ในความว่างความสว่างเรียกว่าโอภาษ สว่างว่างสบายมีแต่ความสุขให้พวกเราระวังนะถ้าภานานแล้วมีแต่ความสุขมันผิดแน่นอนภานานแล้วต้องเห็นทุกข์ได้ไม่ใช่ภานานแล้วติดอยู่ในความสุขเป็นแบบนั้นไม่ต้องทาอะไรหรอกไปกินกัญชาไปสูบกัญชามีความสุขความสุขเหมือนคนติดยาใช้ไม่ได้ งั้นเราต้องฝึกนะให้ใจเราตั้งมั่นจริงๆเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆโดยที่เราไม่ได้บังคับไปยากตรงเนี้ตั้งมั่นโดยไม่บังคับพอใจตั้งมั่นโดยไม่บังคับแล้วก็เจริญปัญญาอ่านใหม่ๆยังไม่เคยรู้สึกตัวแล้วมารู้สึกตัวนั้นจะมีความสุขเพราะจิตเป็นเกิดสมาธิขึ้น แล้วก็ถัดจากนั้นต้องมาเดินปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจพอเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปช่วงหนึ่งวิปัสสนุกจะเกิดเป็นทุกคนอะ่ะบางคนก็แตกฉานนะเกิดความรู้อะไรมากมายบางคนก็อยู่กับความว่างความสว่างแต่ส่วนใหญ่จะสำคัญผิดาว่าบรรลุมากคผลไนแล้นะหรือเป็นพระลหังแนละ้ว เวลาเจอวิปั ส, สนุเนี่ย ม, มาเกิดชอบคิดว่าเป็นผ้าอหันละลดลงมาหนยก็เป็นผ้านาคาละเพราะว่าอะไรดูไม่เห็นกิเลสทำไมไม่เห็นกิเลสเพราะจิตมันไม่ถูกต้องสมาธิมันปิดสมาธิที่ถูกต้องไม่ว่าสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญามีปัญญาตัวจะเห็นทันกิเลสนะถ้าไม่มีปัญญาไม่เห็นกิเลสหรอก อย่างเรามีสติเรารักษาใจว่างนิ่งหรือเฉยกิเลสไม่โผล่ให้ดูเราก็รู้สึกไม่มีกิเลสทีจริงไม่ใช่ทําผิดหนุถ้าครูบาอาจารย์เตือนแนละ้วสะกิดแล้วต้องรีบเฉลียวใจเลยว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วละ่ะไม่ครูบาอาจารย์จะพูดทําไมสลวงพ่อเนี่ยไม่เคยต้องครูบาอาจารย์บอกว่าผิดนะมีแต่เรารู้ว่าผิด แต่ว่าไม่รู้ว่าผิดยังไงอะไรเงี้ยไปถามกระทั่งเข้าสมาธิชนิดหนึ่งนะโลกธาตุดับหมดเลยไม่จับอารมณ์ไม่จับผู้รู้ไม่จับอะไรเสีกอย่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่มีเวลาไม่มีการเกิดดับไม่มีอะไรสิ้นเลยตอนนั้นทีแรกเขาคิดว่าตรงเนี้ยฝึกเรื่ยแล้วจะนิพพาน แต่มาสังเกตว่ามันมีการเข้าการออกมีการกําหนดจิตอย่างนู้นอย่างนี้นะเราเข้ามาตรงนี้ได้นี่ไม่ใช่นี่ต้องเป็นสมถะชนิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยรู้จักรู้ว่าเป็นสมถะแล้วไปกราบหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ครับจิตผมแต่อย่างนี้เองนี้นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นสมถะหลวงปู่บอกมันก็เป็นสมาธิแหละเป็นสมถะ แต่ว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วยุคนี้ไปฝึกไว้ให้ชนานาญนะจะได้มีคนรู้เรื่องพวกนี้เอาไว้ก็กราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ครับผมกลัวจะติดสมาธิท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองท่านพูดอย่างนี้เลยนะท่านบอกงี้เราก็เล่นใหญ่เลยคล้ายอาจารย์เชี่ยเล่นๆไป เล่นจนเพลินนะไม่เดินมีปั ส, สนาไปเล่นสมาธิเจอหลวงปู่บุญจันทร์โดนท่านดา่าท่านไม่รู้จักหลวงพ่ อ, อใช้คาผิดหลวงพ่อไม่รู้จักท่านแต่ท่านรู้จักหลวงพ่อเรื่องน้อย่างน่ากลัวที่สุดเลยหลวงพ่อไม่ได้คิดจะไปหาท่านเพราะไม่เคยรู้จักหลวงพ่อจะไปที่วัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ จะไปหาอาจารย์ทองอินลูกศิษย์หลวงปู่สิงรู้จักกันท่านภาวนาดีคุยกันรู้เรื่องก็ไปถึงวัดสันติธรรมนมีพระหนุ่มๆนมงหนึ่งมายืนดับอยู่หน้าวัดไปเนี่ยมืดแล้ววันนั้นมันไฟดับนึยง้มืดตืดอเลยไม่มีไฟสักดวงพระที่มายืนเนี่ยท่านบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์ลงมาจากถ้ำผาพึ่ มาพักอยู่วัดสันติธรรมเนี่ยให้หลวงพ่อเข้าไปหาน่ยอยหลวงพอบอกมันคาแล้วแล้วหลวงพ่อไม่เคยรู้จักไปหาไม่รู้จะหมอหรือเปล่านะแล้วอย่างเราตั้งใจมาหาอาจารย์ทองอินเขอไปหาอาจารย์ทองอินคุยกับอาจารย์ทองอินร่วมชั่วโมงนะออกมาเนี่ยมืดแนละ้วดึกดึกของแม่ น, นอกนะแล้วเราสาบทูกอะไเงี้ยพระอนั้นยังยืนอยู่ หน้าคุติอาจารย์ทรงอินหนาวเยือกเลยนะก็ยืนทนอยู่อย่างนะั้นนะท่ายก็บอกว่าไปหาอาจารย์คุณจังหน่อยหนาสำหเราเราโอ้โหวงนี้สุดยอดเลยเว้ยยอดตือ่นะอไปก็ไปสงสารท่านนะคล้ายๆถ้าไม่ไปฉันจะพุกเข่าอยู่ตรงนี้โต้รุ่อะไรเงรี้ยไปก็ไปขึ้นไปคุติ เป็นปุติไม้เล็กๆขึ้นไปถึงเนี่ยที่เราเปลี่ยนแคบๆแนละ้วมีตังค์หนึ่งตัวท่านวุญช า, าพาดอยู่ท่านลงมาวัดสันติธรรมเนี่ยก็จะมาหาหมอกำลังป่วยอากาศข้าหนาวนะท่านนอนคุ่มโปองอยู่พอหลวาพ่ขึ้นไปนะท่านออกมาจากที่คุ่มโปงลุกขึ้นนั่งเลยกราบเสร็จชี้หน้าเลยเราหน้ายังไง เล่าให้ท่านฟังภาวนาไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้นะท่านตบากเราเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไ้แล้วจะภาวนา ย, ยัางไงอีกหนูงพ่อฟังสำเนียงท่านนะไม่ค่อยออกนะก็เลยคิดว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกเหมือนกันก็เล่าซ้ำนะนืกว่าท่านยังฟังไม่ออกเล่าซ้ำที่เราภาวนาอย่างนี้ท่านตบาครั้งที่สองนะเฮ้ย นิพพานไรมีเข้ามีออกจิตหลงพ่อหลุดจากอาการที่ติดสมาธิตัวนี้ทันทีเลยมันไม่เข้าอีกแล้วมันไม่เอาอีกแล้วรู้สึกนี่ครูบาอาจารย์เตือนแล้วว่าเสียเวลาไปแล้วหลวงพุทธเจ้าให้ฝึกให้คล่องนี่ฝึกแล้วติดอยู่ตรงนั้นเลยดีว่าอาจารย์มันจันเคกกบาลให้พอจิตหลุดออกมานะท่านหัวเราะเลยหัวเราะเสียงดังเลยนะ พอท่านหัวเราวหลวงพ่อก็หัวเราวบ้างเรีว่าโดยเสด็จนะพอเราหัวดร้าวท่านหยุดขึ้นเลยหันมามองหน้าเราคล้ายๆจะเรื่องคิดหายเลย <c ười> นะมันมันเรียนแบบครูบาอาจารย์เรากําลังโอ้มีความสุขเราแก้กรรมาฐานตัวนี้ได้ละัวเราวตามท่านท่านหันมามองปุ๊บแนะนะนะล้ห ย, ยุดเลยท่านหยุดปุบเลยอยู่ปวดร้าวพอท่านหยุดหลวงพ่อก็หยุดเลย จิตเรากบไม่กระเพิ่มสักนิดเลยท่านบอกเออใช้ได้ท่านทดลองแล้วว่าจิตเราจะไหวแค่ไหนเสร็จล้วก็ไม่เจอท่านอีกไม่เจอท่านอีกตอนก่อนจะบวชนนะ่ท่านมารรถภาพหลวงพ่อไปงานเอาศพท่านนะที่ปักช่องท่านอยู่เชียงรายนะเพื่อเอาศพที่ปักช่อง <c oughs> แล้วก็ามาบวช น, นะพรรษาที่สามผ่านไปแล้วในพรรษาที่สี่มีคนมาจากเชียงใหม่รถตู้หนึง่งมาบอกทลวงพ่อถามว่าเรารู้จักได้ไงต่นนั้นคนยังไม่คอยรู้จักหลวงพ่อเพราะอาจารย์บุญจันทร์สั่งไว้ว่าเรือนนี้ปีนี้นะให้มาหาพระชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้บบุญจันทร์ไหนบบุญจันทร์ท่านผาพึ่งอะ วิ่จะรู้จักได้ไงว่าเราชื่อนี้อยู่ตรงนี้นะเคยเจอท่านครั้งเดียวนั้นนะแล้วตอนที่ท่านมารณภาพหลวงพ่อยังไม่ได้ปวดเลยหลวงพ่อยังไม่รู้เลยก็จะไปอยู่ส่วนโพนะี่เรามาปวดอยู่ส่วนโพนะน์ขันพรรษาที่สามไแล้วลูกศิษย์ท่านลงมาหมดอาจารย์บุญอาจาร์สั่งให้มาเนี่ยท่านเก่งถึงขนาดรู้ชื่อเรานะรู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเนะี เนี่ยยางทัศนาของท่านท่านเก่งหลวงพ่อไม่เก่งนะแต่หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ที่เก่งงียเวลาครูบาอาจารย์สะกิดอะไรนิดเดียวหลวงพ่อฟังทันทีเลยฟังด้วยใจที่เปิดด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมทันทีเลยท่านท่านเหนือกว่าเราเรามีกิเลสเราอยางเอาตัวไม่รอดท่านสอนให้บุญ น, นักหนาแล้วไม่จะดื้อกับครูบาอาจารย์ถ้าดื้อกับครูบาอาจารย์เอาดีไม่ได้หรอก นีถ้าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะเราดื้อกับท่านท่านไม่สอนเลยอย่ยวว่าแต่จะดื้อกับท่านเลยไปฟุ้งซ่านหน้าท่านท่านยังไม่สอนเลยอย่างหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยถ้าอยู่เราไปเจอท่านเราถามถามน้นถามนี่นะท่านก็ตอบให้คําสําคำแล้วท่านไม่พูดด้วยอะไรเราก็บ้าพูดอยู่คนเดียวเยไปหาหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยต้องไม่พูดไปนั่งภาวนาต่อหน้าท่านนั่นแหละแล้วท่านสอนเอง ดัง น, นเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะเก็บเขี้ยวเก็บเล็บให้ดีใจอ่อนโยนอ่อนน้อมเวลาท่านมีธรรมะอะไรสมควรสอนเราท่านก็สอนท่านก็สอนให้เองท่านเมตตาแต่ท่านเห็นว่าใจเราไม่พร้อมอย่างใจเราฟุ้งซ่านหรือใจเรากระด้างถือตัวอะไรนะี้ท่านสอนไม่ไหวมีครั้งหนึ่งนะมียาตโยมกลุ่มใหญ่เลย ขึ้ไปตอยแม่ปังเคยได้ยินไหมไดอยแม่ปังหลวงปู่อะไรหลวงปูแ่แหวนคนรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้หลวงปูแ่แหวนเ่อก่อนบ้านหลวงพ่ออยู่เมืองนนทนะข้างๆวัดบ้านนะ่ะมีหลวงพ่อส้อยมีสร้อยมีแหวนมีหลวงพ่อทองมีคนขึ้นไปหาหลวงปูแ่แหวนท่านนั่งช่วยบอญาติโยมไปหมดแล้วนะ รู้สิ้็ถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ไม่เทศเขาอลัสนาให้สอนธรรมะหน่อยท่านก็เฉยเฉยไม่ยอมเทศท่านบอกว่าเทศไปก็เหมือนตักน้ําใส่หลังหมารู้จักไหมเวลาวน้ํำไปลาดหมาหมาทําไงน่าทำถูกเลยเพรคะนั้นทําท่าเหมือนเลย <c oughs> <c oughs> เออแส <c oughs> ดงว่ารู้จักหมาธรรมะบุษราให้ไปมันสะบัด ท, ทิ้งหมดเลย งั้นไม่ใช่ท่านจะสอนง่ายๆนะหาครูบาอาจารย์ที่ท่านลองทดลองนะกว่าจะสอนกว่าจะอะไรเพรฉ้นเวลาเราเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านดูท่านว่าอยนะ่างนี้นะดูเขารู้สึกเป็นมงคลนะเป็นมงคลอย่างยิ่งในยถูกดา่าอย่างเงี้เป็นมงคลพรเราถูกดูถูกดา่ญญาแสดงว่าเรายังเป็คนที่สอนได้ถ้าท่านไม่ดูไม่ด่าเนี้ย ท่านตัดหางปล่อยวัดแล้วเป็นบัวใต้น้ำแล้วเอาตัวไม่รอดละหลวงพ่อปกติไม่ด่านะเข้าอมาแค่ชมหลวงปู่เทศท่านเคยสอนไว้เขาทำดีนิดหน่อยก็ชมเขาเขาจะได้มีกำลังใจถ้าเอามาตฐานสูงสุดจะตัดสินหนูพอนาเป็นไงไม่ได้เรื่องเลยยังมีกิเลสแล้วผมแล้วครับเฮ้ยก็เหมือนกันเลยหวยแตกิ ก็เลิกหมดไม่พอนานนะท่าหลอกเขาดีอะไรนิดนิดหน่อยๆชมไหม้เขายังได้มีกําลังใจงั้นหลวงพ่อชมอย่าเลงนะคนไในที่หลวงพ่อชมเนี่ยเจ้งทุกรายเลยก็อะไรพอหลวงพ่อชมก็ดีนะอยากจะดีตลอดนะความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มบังคับตัวเองแทนที่จะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไปเริ่มบังคับกายบังคับใจ ไม่ใช้ไม่ได้นะจะเสียไปช่วงหนึ่งเลยพาวนาไม่เป็นไปช่วงหนึ่งเลยแล้วค่อยๆฟื้นตัวไป้ามาตอนที่ฟื้นตัวไป้ามาคราวนี้ดีกว่าคราวก่อนนะมาหาหลวงพ่ออีกที่หนูภาวนาเป็นไงโอ้ดีดีก็าพังไปอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็พอฟื้นตัวก็ขยับขึ้นมาอีกนะสนุกไหม วันนี้เด็กเยอะเราต้องเล่านิทานหน่อยนะหลงพ่อสอนเด็กไม่เป็นเพรทะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะี่ครูบาอาจารย์สอนแค่หายใจเข้าพูดหายใจออกโธเท่านั้นแนะ่ะไม่ได้สอนอะไรเยอะแต่หลวงพ่อทำท่านไปเรียนครั้งแรกอายุเจ็ดขวบเองนะอายุเจ็ดปีเรนกนะับท่านพ่อรีท่านจับใส่ตักนะท่านท่าสอนเลย หายใจไปนะ้าหายใจเข้าบริกรรมวพุทธหายใจออกบริกรรมวัทโทนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกวุทโทไปนับสองนับสามไปไงี้ท่านสอนต่้งแต่วันที่ท่านสอนเนี่ยทำตลอดเลยนะไม่มีวันไหนที่ไม่ทำท่านเด็กๆนะวันเกิดวันปีใหม่อะไรเนี้ยจะเลือกผ้าเช็ดตัวสีเหลืองๆต้องสีเหลืองเท่านั้นนะสีอื่นไม่เอา เอามานั่งหมนะแล้วก็สวมดมนต์อย่างเงี้ยใช่เป็นชอบอะ่ะมีอยู่คราวนั้นนะผู้ใหญ่เ็าซื้อผ้าไตรมาเราเห็นผ้าไตรเขจะไปถวายพระวันพรุ่งนี้วันนี้ซื้อมาบ่ายแล้วยังไม่ได้ถวายหรือวเห็นผ้าไตรนะโอยรักจังเลยอยากได้เขาบอกว่าเขาจะไปถวายพระเราบอกเราขอไว้คืนหนึ่งก่อน ไว้นอนข้างๆเรานระหวางไว้ข้างๆนอนอยู่กับผ้าไตรแล้วตอนเช้ามืดนะตอนเช้าอะ่ะเจ็บที่เท้าผู้ใหญ่ไปดูวุ้ยนี่รอยหนูแทะเนี่ยปากเอาผ้าไตรมาเล่นนะทำเอาเรากลัวผ้าไตรเลยใจเป็น <c oughs> ใจมันพร้อมนะมันน้อมไปหาการปฏิบัตินะ การบวชอย่างเงี้ยตอนสักสิบขวบไฟไม้หน้าบ้านตกใจเห็นไฟไหม้บ้านเป็นตึกแถวมันไหม้ถัดไปสีห้าห้องไฟไหม้ลุกขึ้นได้วิ่นเลยจะไปบอกข้อว่าไฟไหม้เก้าที่หนึ่งไม่รู้ตัวเก้าที่สองไม่รู้ตัว9ก้าที่สาเหมือนเปิดสวิตช์จากข้างในสว่างพลึบออกมาเลยนะรู้ตัวเลยเห็นความตกใจเนี่ยกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเกินดับให้ดูทันทีเลย จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเด่นดวงขึ้นมาแ้งแต่นั้นเลยแล้วก็เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าเนี่ยไฟไหม้แล้วครั้นี้ดูคนอื่นตกใจนะเราเป็นผู้ดูเราไม่ตกใจเราดูเ้าตกใจแต่เสร็จแล้วก็ลืมลืมไปอีกมาแต่หลังมาพอนานนะแยกแยกไปเรื่อยนเะดนกระทั่งเหลือแต่จิตดวงเดียวเพราะกลับมามีจิตให้มีกายจะเห็นกายกับจิตแยกกันนะ จิตก็เด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่เสร็จแล้วก็ไปต่อไม่เป็นจิตเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆมันไปเจอหลวงพู ด, ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูทีแรกดูผิดที่ไปรักษาตัวผู้รู้ไว้ก็ปล่อยให้มันทำงานนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวมันมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงถือจเกิดปัญญาพอนาทีแรกตอนที่ทาสมาธินะั้นมีแต่ความสุข แต่พอภาวนาเจริญปัญญาเนี่ยเห็นแต่ทุกขนะ์เนอะเพาะนถ้าภาวนาแล้วโอ้สุขจังเลยสุขจังเลยไม่ได้เรื่องหรอกพวกที่สุขจังเลยเนี่ยมีพวกหนึ่งคือพระอรหันต์มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อไปนั่งอยู่ข้างท่านหลวงปู่สุวัตท่านเป็นอรมภาพานะถ้ า, าจะกลืนน้ำลายก็ทำไม่ได้ต้องมีเครื่องดูดอยู่ด้วย แล้วก็นั่งอยู่ข้างๆท่านอยู่กันสองพสองคนท่านองค์หนึ่งเราคนหนึ่งท่านก็ปราลบธรรมะขึ้นมาเห็นไหมอยู่กับท่านกับครูพระอาจารย์เงียบๆไว้ท่านก็ปรารบขึ้นสุขแท้นอสุขแท้นอสุอข้หันไปดูท่านลูกปู่กระทั่งคืนน้ำลายยังไม่ได้เลยเดินก็ไม่ได้ทำไมว่าสุขแท้นอส ถ้าผมเป็นอย่างหลวงปู่นะผมจะร้องทุกแท้นอ้อทุกแท้นอ้อนะอย่างนี้นะทำไมท่านสุขอย่างนั้นก็ดูท่านสุขจริงเราเนี่ยโศกตกรกลุงรังไปหมดไม่ดีเหมือนครูบาจักรเนี่ยที่ท่านที่พอนาสุดขีดไปแล้วนะท่านมีความสุขมหาศาลแต่ครองจะถึงจุดนั้นท่านมีแต่ความทุกข์นะโลกุเทศถึงขนาดบอกเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นครรม ถ้าไม่เห็นถุกไม่เห็นธรรมมีความสุขเรื่ออยู่ไหมลนะ่ะผิดแน่นอนต้องรู้ตัวเลยผิดแน่นอนเหมือนที่หลวงพ่อรู้ใจว่าสว่างอย่างเงี้ยผิดแน่นอนไต่ผิดยังไงตอนนั้นไม่รู้ดวงตาบอกก็รู้เลยไม่กี่นาทีหรอกหาย ใ, ใจอยู่ไม่กี่ครั้งก็รู้แล้ว่าผิดยังไงสมาธิไม่พอจำไว้นะวิปัสสนทธ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสมาธิไม่ถูก ส่วนนิมิต ท, ทั้งหมดเนี่ยเกิดเจากสมาธิไม่เต็มสมาธิไม่เต็มหมายถึงนิมิต ท, ทั้งหลายมันไม่เกิดในอภปนาสมาธิหรอกเกิดในมุขจาระไม่เต็มในอภปนาแต่ในวิปัสสนูวิปัสสนูเนี่ยมันเกิดจากสมาธิผิดจิตไม่เข้าฐานจิตไม่เข้าฐานคือเข้าแบบเพ่งเอาไว้ไม่ถูกแล้วต้องฝึกนะฝึก อย่คนที่เป็นวิปัสสนูติดวิปัสสนูอยู่นะแล้วถ่ายทอดธรรมะออกมานะมันมีกระแสของตัวมืดนี้ออกมาด้วยนะใครไปฟังธรรมะที่คนนี้แสดงออกมาเนี้ยจะมืดตามไปเลยนะเพราะธรรมะเนี้ยมันเรียนจากจิตสู่จิตถ้าจิตของผู้แสดงมืดสัอย่างเดียวนะคนฟังมืดทั้งทีมเลยร้อนยะคนก็มืดร้อยคนเลยพวกเราสังเกตไหมฟังหลวงพ่อเนี้ยเราตื่นเราสว่าง ไม่ต้องฟังตัวจริงหรอกนะฟัง YouTube ก็เป็นพอหลวงพ่อเทศด้วยใจที่มันสว่างไม่ใช่ใจที่มืดมัวนะในเวลาเข้าใกล้หลวงพ่อจะรู้สึกตัวง่ายง่ายกว่าความเป็นจริงนะง่ายกว่าความเป็นจริงนี้เราอาศัยจุดที่ว่ามาอยู่ใกล้หลวงพ่อหรือฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วรู้ตัวขึ้นมาอาศัยจุดนี้แหละดูกายดูใจของตัวเองไป แล้วต่อไปเราจะสว่างด้วยตัวเราเองนะไม่ต้องรอว่าเข้าใกล้หลวงพ่อถึงจะสว่างนะธรรมะถ่ายทอดจากจิตสู่จิตนะไม่ใช่จากปากสู่หูไปเก็บไว้ในสมองแล้วก็เพียนโลภูมันบอกว่าพระสัจธรรมเนะีนะ่ยถ้าเข้าไปอยู่ในจิตของกุทุชนนะ จะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปโดยอัตโนมัติสัตธรรมปฏิรูปคือธรรมะกรดโดยอัตโนมัติเลยนี้เวลาวิปัสสุเกิด น, นะอุทุชนจะขึ้นเป็นพระโสดากะต้องผ่านวิปัสนุพระโสดาจะผ่านขึ้นไปสกิทาคาก็ต้องผ่านวินนนปสวสัสนุสกิทาคาจะผ่านไปสุวรรณคาก็ผ่านวิปัสนุ ธนาคาจะผ่านขึ้นพระอรหันก็ต้องเจอวิปัสสนุนะเรื่องไม่ใช่เรื่องต้องตำหนิตีเตียนนะเพียงแต่ว่าช่วยบอกกันได้ก็บอกนะแต่ว่าแก้ยากเวลาเป็นวิปัสสนุบางคนเนะนะี่ยใจแรงถ้าเซลล์จัดนะ่าแรงแก้ยากมากนะถ้าไม่เซลลจัดใจอ่อนกับครูบาอาจารย์ท่านสกิมนิดหนึ่นงฉเฉลียวใจแล้วฉเฉลียวใจแล้วมาสังเกตสมาธิเราพลาดตรงไหน ไปดูให้ดีเนถะมันพลาดที่สมาธิผิดนะไปดูออกนะตอนที่อยากแก้ไม่ตกเนะี่ยอยับเผยแพร่เยอะอนันตรายมากเลยเสร็จแล้วจะต้องตามใช้นี่นะไปสอนคนไว้มืดไปหมดเนยะต้องตามใช้นี่ว น, นิเทศมายาวนานพอสมควรแล้วใครมีกันบ้านจะส่งพวกอยู่วัดมีไหม ส่งไปรารำนวัตกรรมหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อเล่นงานผู้ช่วยสอนก่อนซองเปลือรู้สึกเปล่าเออใช้ได้ประสานเพลงหรือสื่อภาพพอซองเปลือก้ประสานเขาอยู่ในคนละค่ายนะอยู่คนละฝั่งเออว่ามารรำนวักันหลวงพ่อค่ะ ก่งกันบ้านเมื่อวานนี้ก็ดูจิตแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปอะค่ะแล้วสังเกตว่ามีช่วงที่จิตไปยึดกับความกลัวกับความเศร้าช่วงนั้นจะรู้สึกว่ามันคือหักมากเลยอะค่ะทําไมมันอึดหนนะักทำไมมันทุกข์ในใจ ม, นมีโทมนันัตนะความกลัวความเศร้าเนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโทศ เ, เวลาโทศเกิดเนี่ยจิตใ จ, จเศร้าหมองไม่สบายอึดอัด น, นะนะ หรืออิจใาเจิตเอ็ดันขี่เหนียวห่วงของจิตเอ็ดันเนี่ยตระกูลโทสะเพราะฉะนั้นเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยจิตไม่สบายหรอกอันนั้นถูกแล้วเอาพอรูอ้สึกตัวก็กลับมากําหนดที่ลมหายใจใหม่ค่ะก็กําหนดลมหายใจเข้าออกก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมคะอัะนั้นหนีไปหาสมสถะเวลาปฏิบัติจะมีสองอันสมถะและวิปัสสนา อย่างสมมติ ว, ว่าความกลัวเกิดขึ้ น, นเราดูไปที่ความกลัวเห็นความกลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนนี้เราใช้วิปัสสนาแต่ถ้ามันกลัวมากดูแล้วก็ไม่หายนะสติจะแตกอยู่แล้วก็ใช้สมถะมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไม่ไปชิดเรื่องที่ทําให้กลัวอย่างบางคนกลัวผีนะยิ่งกลัวผียิ่งชอบคิดเรื่องผีแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีด้วย ใครเป็นบ้างกลัวผีแต่ชอบฟังเรื่องผีชอบดูหนังผีนะนี่เป็นโรคไม่อยากบอกโรคจิตเลยนี่พอคิดถึงผีก็ยิ่งกลัวนะพอแทนที่จะคิดถึงผีมาคิดถึงพุทโธพุทโธนะพุทโธเร็วๆนะพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่ให้ใจหนีไปคิดเรื่องผีนะความกลัวผีก็หายมันะอันนี้เป็นสมถะเปนการหนี เรียกเปลี่ยนอารมณ์ซะไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานแทนสงบอยู่ในอารมณ์กรรมฐานไม่ไมีวิคิดเรื่องอื่นเนี่ยจิตสบาย น, นี้ได้เป็นสมถะเพราะฉะนั้น ถ, ถ้าหากเรากลัวผีเราดูไปที่ความกลัวนะเราเห็นความกลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ดูดูดูเข้าไปเลยแต่ถ้ากลัวจนทนไม่ไหวใกล้บ้าและ้นะกลับมาทําสมถะบางคนนะ ชอบจะไปภาวนาตามวัดตามอะไรเงี้ยต้องพกพระไปด้วยนะไม่รู้หรอกว่าในพระนะื่อทีมีผีอยู่นะนะมีผีอยู่ในพระก็มีนะผีมันก็ชอบความร่มเย็นนะมันก็ม้วนมุดอยู่ในพรนะแล้วบางบางสำนักนะเขาเอากระดูกผีมาคนนะใส่ปั้นเป็นพางขึ้นมาแล้วอันนี้แหละสู้ผีได้นะจักกรรมผีแน่นเลยนะ ผีไม่คงงงที่หลังกลัวก็ดูข่อนนะอย่าเพิ่งหนีอย่างเดียวสู้ไม่ได้ก็จะหนีเหมือนเรื่องเราอยู่ในโลกอะ่ะเราเห็นหน้าคนนี้เราโกรธเราโกรธเราดูโกรยก่อนอย่าเพิ่งเดินหนีครูบาจารย์สมัยท่านหนุ่มๆท่านทุดงไปไปเจอผู้หญิงสวยท่านสู้ไม่ไหวแล้วอยากศึกเป็นทีแล้ว ถห น, นีนะพิจารณาทีแรกถ้หนีด้วยการทําสมถะพิจารณาปฏิกูณสุภาพผู้หญิงสกครกไม่สวยไม่งามแต่มันก็ดีเหมือนกันนะแ <c oughs> น่ใจมันยังกไปอย่างนี้นะสุดท้ายสู้ไม่ไหวหนีย้ายที่เลยคว้ากรดคว้าบาดหนีไปอยู่ที่อื่นเลยเอาตัวรอดนหนีด้วยสมถะไม่พอก็เดินหนีไปเลยอย่างเราเห็นคนนี้เกลียดมันจะชมจะกมาละจะตบมาละพุโทโธพุโทโธก็ไม่หายนะทำสมถะก็ไม่หาย แแห่เมตตาก็าไม่ไหวรู้สึกเมตตาไม่ไหว้จังไรเนี่ยหญิ <c oughs> <c oughs> งก็เดินหนีเห็นไหมมันก็มีแนวรุกแนวรับนะของการปฏิบัติทำวิปัสสน า, าได้ทำวิปัสสนาไม่สําเร็จใช้สมถะสมถาก็าไม่ไหวจริงหนีเลยเปลี่ยนอารมณ์ไปแต่อย่าหนีบ่อยถ้านี้บ่อยเดี๋ยวคยตัวอย่าคนหนีตลอดใช้ไม่ได้ค่ะพระครูหลวงพ่ ใครจำเป็นขอจำเป็นจริงๆนะ 19, 28, 2เกเบอร์สเบอร์เบอร์เบอร์เบอร์เบอร์กท่านี้ได้นะมีเวลา1ินาทีงาราชการหลวงพ่อเออว่าไปเอ่อพุทวาไปหาความเพิ่มเติมครับจากหนังสือของหลวงพ่อเกี่ยวกับการพิจารณาลูกนามนามมาทำแตบบ่กับมือไม่ใช่มือเป็น วัตถุธาตุอย่างนึ่งมือเป็นรูปธรรมหน้าไม่ใช่น้ำอ่าครับคือการพิจารณาในส่วนนั้นนะครับผมควรจะใช้หลักการเด็ดจิตแรกเขคิดเอานะจิแรกก็คิดเอาว่นะร า, าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราผมไม่ใช่เราขนเล็บปันหนังนี่เก็ถึงไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแล้วพอจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันเห็นเองว่าร่างกายไม่ใช่เราตรงที่ยังคิดอยู่ยังไม่ใช่พิปัสนา แต่เป็นการกระตุ้นให้จิตมองใจลับเพราะฉะนถ้าจิตยังไม่เห็นกายเห็นใจเป็นตจลับให้คิดมันเป็นตจลับซะก่อนแต่อย่าคิดจนเคยตัวคิดผู้วันไม่ใช่เพราจิตมันดูได้เองแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอย่าคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสนาแสดงว่าผมควรจะใช้สมาธิในการพิจารณาใจมันกระจายออกานอกดูออกไหม มันกว้างๆออกไปข้างนอกอนะให้ใจเข้าบ้านก่อนถ้าใจอย่างนี้ไปพินามมันเลื่อนลอยมันหลงอยู่ในโลกของความคิดเลยชบนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออรู้สึกตัวไม่หายใจเข้าแล้วดึงจิตนะไม่ดึงตอนนี้ดึงละแค่หายใจเข้ารู้สึกตัวห้ใจออรู้สึกตัวนะเดี๋ยวจิตมันเข้ามาเองถ้าเราไปดึงมาจิตจะแน่นใช้ไม่ได้ ไปทำเอานะให้ใจเข้าบ้านใจเข้าบ้านแล้วก็ดูกายดูใจอะไรก็ดูไปถ้าใจเข้าบ้านแล้วเฉยตรงนี้แหละที่จะต้องคิดพิจรารณาครับนี้บางคนใจเข้าฐานปุ๊บเห็นไตรลกักไปเห็นรูปธรรมนามธรรมาแสดงแตล่ลักษอันนั้นไม่ต้องคิดเลยเบอร์สิบเก้าับจุ๊กอ๋องเลย มาผลางพ่อแล้วก็พยายามดูมาหลักเป็นสิบปีอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันก็จะเห็นมัวมัวบ่อยอค่ะมัวมวเป็นโมหะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ชอบรู้ว่ไม่ชอ บ, ชอบของจัวเห็นสภาวะเป็นแล้วนะ แต่จุดสำคัญคือไม่เป็นกลางกับสภาวะเนื้อให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นใจไม่ชอบคือเมื่อก่อนก็รู้สึกโกเองโทสะเยอะตอนนี้ก็เห็นความโลภมันเยอะแล้วก็ตัวที่ถี่อะค่ะหลวงพ่อแรงมากเออตัวไหนแรงขึ้นมาก็ดูตัวนั้นหละปัญหาคือเนที่อยากก่อนนะก็ไปถามหลวงปู่ดูลว่าจะดูจิตนจะดูกิเลสตัวไหนก่อน หลวงปูบอกตัวไหนปรากฏขึ้นมาก็ออาตัวนั้นแหละเพะนั้นกิเลส ต, ตัวไหนโผล่ขึ้นมาให้เราดูก็ดูตัวนั้นนะทุกตัวสารธรรมะเดียวกันคือมันอยากให้หลวงพ่อเคาะนะคะพอดีคนใกล้ตัวบอกว่ามาวัดอีกสิบปีแล้วไม่เห็นจะดีขึ้นจังใจไหม <c oughs> ไม่เห็นแปลเลยบางคนมายี่สิบปียังไม่ดีเลยบางคนสามสี่สิบปีก็มีนะ ไม่ใช่ไม่มีเพิ่มเกือบสิบปีเวลาสะสมกิเลนหน้าที่อาสงไขยก็ไม่รู้นะข้าวัดสิบปีเหมือนจะเอาดีแล้วใจเย็นๆไม่รู้หรือว่าตัวเองดีขึ้นเท่าไหร่แล้วเราก็บอกเขาว่าเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแต่เขาบอกว่าเรายังเถียงอยู่อะค่ะ <laughs> บอกเถียงเป็นวาสนาบอกเขาี่นะอมันห้ามไม่ได้หรอกมันเคยชิ น, นบอกเขานะว่าไม่ใช่กิเลสหรอกที่เถียงเนี่ยฉันเห็นเวลามีมาหน้าตาฉันเห็นแต่มันต้องเถียงเพราะมันเคยชินไปบอกเขานะไปเรียนธรรมะให้ดีนะเ อ, อย่าเข้าใจผิดรูเปล่าว่าเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน ว่ากิเลสตัวหยาบหยาบจุรู้สึกว่าจูเห็นทันขึ้นนั่นแหละความเจริญของเราอยู่ที่รู้ทันกิเลสตัวเองนะถ้ารู้ทันกิเลสตัวอื่นไม่เจริญหรอกวันี่สิบแปดกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะอื ม, มาจากอุบล น, นะคะออื่าหลวงพ่อให้หนูไปสวดมนต์ตติยมปิให้หนูสวดมนต์ แล้วก็หนูมาส่งกันบ้านเมื่อสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปดูกายเพิ่มอืตอนนี้หนูจะถามหลวงพ่อว่าหนูควรทําอะไรเพิ่มอีกไหมคะนั่นแหละสวดมนต์มันก็ได้สมาธินะเป็นสมถะแล้วเราก็ดูกายไปกายเป็นของน่าดูนะเพราะเรารักกายเยอะครเรารู้สึกกายเราสวยสวยอนะ ไ, ไ, ไ, ไรเงี้ยนะดูมันไปบ่อยบอยรู้สึกไหม รู้สึกค่ะเออเราได้สวยจริงๆเลยนะนี่ก็สวยนี่ก็เสวยเนี่ยดูกายเรื่อยๆนะน้าจิตมันจะพัฒนาของหนูดีขึ้นเยอะแล้วทีแรกที่ให้ให้สวนมนั่นนะเพื่อจะได้สมาธิเขาได้สมาธิมีกำลังขึ้นมานะนะมาพิจารณาร่างกายอนะาใจไม่คล่องตัวในการดูกายแล้วแล้วก็ใจตั้งมั่นแล้วจะเห็นกายมันทำงานไปเรื่อยๆ แต่ไปก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวมมิเศษหรอกร่างกายนี้มีความทูบบีบคันอยู่ตลอดเวลา<ม><ม>ความยึดถือในร่างกายมันจะลดลงแลง้วครับฝึกตัวนี้แหละเอาให้เยอะๆออแล้วหนูยังต้องคือตอนนี้หนูสวดมนต์เป็นหลักค่ะดูควรเปลี่ยนมาเป็นดูกายเป็นหลักไม่ต้องหรอกสวดมนต์ไปถ้าเราไม่สวดมนต์ใจจะฟุ้งซ่านนะมันพร้อมจะฟุ้งซ่านค่ะเพราะว่าหนูเห็นแต่ความฟุ้งซ่านนั่นแหละเพราะงั้นหนูต้องสวดมนต์ไปเรื่อยๆ แล้วพอใจสบายสบายแล้วหนูก็มาดูกายค่ะร่างกายไม่ใช่ของเราดูไปงี้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเหนูหนูสังเกตว่าพอหนูดูกายแล้วหนูจะไปเห็นความบีบพันุ์ที่กลาง อ, อกอะค่ะหนูควรจะดูตรงนี้หรือว่าหนูจะดูแบบที่หลวงพอ่อหนูหนูหนูถ้าไปเห็นเข้าไปที่จิตกลางอกได้ก็ดูที่จิตเลยเอ๋อค่ะที่ดูกายเนี่ยนะนะเพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตนี่หนูพัสถึกายมาที่จิตได้เร็ว แต่อย่าไปจ้องนะหนูอย่าทุกวันหนูต้องนับหนึ่งใหม่คือไหวพ้พระสวดมนต์แล้วก็ดูกายแล้วม่จะเห็นความไหวที่จิตขึ้นมานะพอมันไหวขึ้นมาแนละ้วเวลารู้มันเนี่ยอย่าให้จิตเราไหลลงไปอยู่ที่กลาง อ, อกนะให้จิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ตหาห่านงะโดยที่เราไม่ได้ดึงเอาไว้ด้วยนะไม่ดึงเอาไว้ไม่ปล่อยให้ไหลจมลงไปกลาง อ, อก หนูเคยเห็นแล้วมันทุกข์แล้วหนูก็เพราะพ่อหนูหนูรู้ทันว่ามันจะทุกข์อะค่ะพอหนูเห็นว่ามันทุกข์ปุ๊บหนูก็แวบออกมาไม่ไม่รูแล้วหน้าตีคนจีนบอกผาเสี่ยขอให้หนูดูแบบที่หลวงพ่อบอกลงไปเลยนะคะ <c oughs> ใช่แต่อย่าจมลงไปนะแล้วหนูจะเห็นทุกข์พอหนูเห็นทุกข์นะหนูจะเบื่อหน่ายแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเลยถึงเราจะไปเจออารมณ์ที่วิเศษแค่ไหนนะแต่ความทุกข์มันอยู่ในใจนี่เอง ไปหาของดีพิเศษที่ไหนมาให้ดูให้กินให้อะไรเงี้ยความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเองแังในของข้างนอกช่วยอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ใช้ได้นะมันพัฒนาแล้ว<ะ>ที่เราทำสมถะเนี่ยเพื่อให้มีกำลังมีกำลังแล้วเรามาดูกายนะบางคนพัสมาดูจิตได้เลยนะที่ดูกายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งจะเห็นจิตดูจิตเพื่อจะได้เห็นธรรมะ กูสอนะกูสอนะผุดขึ้นกลางอกเั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่าเฝ้านะอย่าจ้องน ะ, ะให้มันผุดแล้วค่อยรู้นะตรงนี้ดูลำบากนิด น, นึงขอบคุณค่ะดีภาวนาดีทุกวันเริ่มต้นนับหนึ่งนะคือสวดมนต์เบอร์สองวันนี้ช้ามากเลยสิบนาทีได้สองคนเอง เขาขอคําแนะนําสําหรับการภาวนาในช่วงนี้ด้วยค่ะือเขาขอคําแนะนําสําหรับการภาวนาในช่วงนี้ค่ะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหยถ้าเหมือนตอนเนี้ยนะแสดงว่ายังเพ่งอยู่ยังบังคับจิตให้นิ่งอยู่นะเพราะมันตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เป็นไรนะตื่นเต้นแล้วอย่าบังคับจิตให้นิ่งตื่นเต้นรู้ว่าจิตมันตื่นเต้นเห็นว่าจิตนี้มันตื่นเต้นได้เอง เวลามีความรู้สึกอย่างอื่นเกิดขึ้นเราก็ดูแบบเดียวกันเราเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้เองแล้วอยู่ได้ชั่วคราวความรู้สึกทุกอย่างนี้นก็หายไปเนี่ยไปหัดดูอย่างนี้บ่อยๆแล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้พระสวดมนต์บ้างนะทำสมถมะบ้างจะหายใจเอาก็ได้ verse 4 เบอร์สิเคยมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายกำลังหายใจและมีอีกครั้งหนึ่งเห็นจิตทำงานเอง อ, อยากทราบว่าเขาเดินปัญญาในระดับใดและเขาคำแนะนำสำหรับช่วงนี้ค่ะปัญญามันไม่เดินทั้งวันหรอกนะเมื่อไหร่มีสมาธิถูกต้องปัญญามันก็เกิดมันเป็นคราวๆหรอกมันไม่ได้เกิดทั้งวันเพราะเวลาจิตมันเห็น กายเห็นใจไม่ใช่เราอะไรเงี้ยมันก็เดินปัญญาสั้นๆแล้วมันก็มารู้ตัวอยู่มาพาณาอยู่อันนั้นได้สมาธิภาวนาปฏิบัติัปอย่างเนี้ยแล้วต่อไปปัญญาจะค่อยๆถี่ขึ้นเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทีแรกนานๆเกิดทีหนึ่งนะวงพ่อหัดทีแรกตั้ง7วันนะจะเกิดปัญญาทีหนึ่งเราค่อยๆฝึกไปเรื่อ ย, อ ย, ยๆแล้วมันก็จะเกิดปัญญาได้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้น ไม่ต้องรีบมีปัญญาหรอกนะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปดูกายทํางานดูใจทํางานไปเดี๋ยวปัญญาเกิดเองมันจะเห็นเนะืร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกก็มาเองไปเองไม่ใช่ตัวเรานะตรงที่มันเห็นนั่นมันเห็นเองเราไม่ได้เจตนาจะเห็นถ้าเราจงใจเห็นไม่เห็นหรอกนะี่เราทําอย่างที่ทำนั่นแหละถูกแล้วนะครับปัญญามจะเกิดเองมาสิบห ไม่อยู่ข้างหน้ า, า, นาสมัยมาด้านหน้า <c oughs> หมอสาวใจหนีไปแล้วชื่อสาวดีนะไม่มีวันแก่กับมัพการหลวงพ่อครับเคยเป็นนักเพ่งมาก่อนครับเออปัจจุบันกคิดว่าตัวเองเพ่งน้อยลงครับถูก่อนนได้ดีขึ้นนะครับไอ้ที่เพ่งไว้ไม่ได้เสียหลายอะไรหรอก มันเสริมกําลังให้เรามีกําลังที่จะดูสภาวะได้ต่อเนื่องอย่างนานขึ้ น, นหลวงพ่อติดสมาธิอยู่22่สิบสอปีพอมาเจอหลวงปู่ดูนมาดูจิตเกิดดับเนหลวงพ่อดูจิตเกิดดับโดยไม่ต้องทําสมาธิสองปีกําลังสมาธิที่ทําไปแล้วแล้วพอมันเสื่อมไปแล้วกลไปทําสมาธิแป๊บเดียวก็กลับมาแนละ้วของโยมพื้นฐานสมาธิดีแล้วนะ หักจากนี้ก็เดินปัญญาไปดูดูจิตได้ดูจิตไปเลยเห็นจิตมันทำงานได้เอง <นะ S 1> ถ้าดูจิตไม่ออกดูกายกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราของเราดูไปเรื่อยๆใช่ได้ดีครับผมยังต้องทำสมถะเหมือนเดิม<ด>ทุกวันสมถะทิ้งไม่ได้นะ แล้วตอนนี้สมถาถะที่ทำนีใช้ได้แล้วไม่ใช่มิจฉาสมาธิแล้วไม่ใช่สมาธิซื้อบื้อแล้วได้บอกไหมเป็นสมาธิที่รู้ตื่นแบบวันทำทุกวันเลยนะเบอแปดอยู่ที่ไหนเอ่ย ทั้งกอหลวงพ่อให้ดูจิตเขาเห็นจิตวิ่งไปทางทวานทั้งหทําให้รู้สึกชีวิตไม่มีความหมายอะไรทําอะไรก็มไม่ชอบทําอะไรดีให้รู้ทันวนะ่าถูกอารมณ์ครอบงานะใจยังไม่เป็นกลางที่ภาวนาอยู่เนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะเราสามารถภาวนาได้ดีมากๆเลยต่อไปนี้เวลาใจมันเกิดเบื่อหน่ายอะไรขึ้นมานะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตเนี่ย อย่าให้ความเบื่อหน่ายครอบงําจิตรู้ทันความรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกับเป็นอารมณ์ธรรมดาอันหนึ่งเท่านั้นเองแล้วจิตก็จะผ่านตรงนี้ไปต่อไปจิตก็จะสามารถรู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความเป็นกลางตรงนั้นแหละสําคัญมากตรงนี้ยังสิ่งที่ยังขาดคือความเป็นกลางนะให้รู้ทันว่าใจยังไม่ชอบตรงเนี้เฝ้ารู้เฝ้าดูไป ภาวนาได้ดีมากๆเลยประสานดูหน้าคนนี้ไว้หน่อยถ้าเจอก็คอยควบคุมดูแลให้ดีหน่อยเห็นไหมยืนให้หน่อยยืนนะเสียไปแล้วแน่นยืนเลยนั่งลงได้ภาวนาได้ดีแล้วล่ะสมาธิดีนะ จิตตั้งมั่นถูกต้องแล้วนี่เราเห็นสภาวะทั้งหลายสภาวะที่เห็นนั่นเป็นสภาวะที่ละเอียดมากคือเราเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกเลนกายใจเห็นไหมไปทางตาเกิดแล้วดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ช่วคราวก็ดับเกิดจิตที่ไปฟังจิตที่ไปฟังอยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตที่คิด เราเห็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นการเดินปัญญาที่ละเอียดแล้วนะนี้พอเดินปัญญาไปเราจะเห็นโลกนิหาสาระแก่นสารไม่ได้โลกนิหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยมันเหมือนฝันๆบุบวาบนิดเดียวเท่านั้นเองโลกที่ดูจริงจังดูใหญ่โตนะก็แค่ผัสสะชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีสาระแก่นสารใจมันก็จะเบื่อหน่ายเราเห็นความจริงแล้วโลกไม่มีสาระใจก็เบื่อหน่าย อยที่หลวงพ่อบอกแนตะ่แคเห็นต่าความเป็นจริงคือเบือ่อนะเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือจากโลกออกนะแต่เรารู้ท่านใจที่เบื่อหน่ายอย่าให้ความรู้สึกเบื่อเนี่ยครอบงําใจเราไดนะ้มันก็แค่ความรู้สึกตัวหนึ่งเท่านั้นเองในสุดใจเราจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยแล้วก็ถูกสิ่งทุกอย่างนะสุขทุกดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดในความรู้สึกเลยก็เป็นของที่ยึดถือไม่ได้ไม่ควรยึดถือทั้งสิ้นเลย ต่มันเห็นเองถ้าเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้มาผลในชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นแล้วภาวนามาถึงตรงนี้แล้วเส้นทางที่เหลือนี่ไม่ยากลำบากเท่าไหร่หล้นะแต่จะต้องใจเยน็นถ้าอยากได้ผลเร็วๆเนี่ยเราจะพังหมดเลยนะต้องเริ่มต้นน้ำหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นอย่าโลภเมื่อส8ปคนนี้ภาวนาสั่งใจ บางคนพูดดีนะพูดตรงตาลาไปเลยแต่จิตมันไม่ใช่มันดีแต่คาพูดอันนี้ก็ไม่สักใจฟังแล้วจืดจืดนะบอกเนี่ยดิฉันเห็นตัวผู้รู้ไม่ควรยึดถือฟังแล้วจืดอจืด <c oughs> เธอยึดอยู่ยเต็มที่เลยบอกไม่ยึดนะ <c oughs> อาา้านมัสการครับว่าไง <c oughs> ปีที่แล้วผมมาสมการบ้านแล้วก็หลังจากที่หเห็นกายได้สักษาไปแล้วหลวงพ่อให้การบ้านมาสองข้อครับรก็คือให้ไปดูกีเรตกับปัญหาหอืผมไปดูทีนี้ผมก็ไปทําการบ้านหลังจากที่ผมปฏิบัติอยู่ แล้วเห็นในร่างกายมันเป็นโพรงว่างออแล้วผมก็เข้ามันกับว่ามันมันเข้าไปดูโดยธรรมชาติแล้วไปเห็นการกระเพื่อมการสั่นไวืวแล้วก่อนกระเพื่อมเนี่ยมันจะมีอะไรที่มากระทุงให้กระเพื่อมแต่ผมดูเข้าไปจนจ น, จนพอมันว่างเต็มที่แล้วครับมันจะเห็นส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นเป็นก้อนเป็นดำทำ ม, มือแล้วผมก็แค่นึกว่าเนี่ยคืออะไรมันบอกคือความกลัว ผมก็ความกลัวผมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้เกิดผมก็เลยบอกว่าแล้วกลัวอะไรล่ะทำไมถึงกลัวมันบอกตอบมาแบบชัดคล้อยชัดคำหรือว่ากลัวการไม่มีตัวตนดีพอออกมาผมมันมันแทบจะร้องเลยครับว่าออทำไมมันถึงขนาดนี้จิตเรามีสมาธิที่ ท, ที่ดีนะมีสมาธิที่ถูกต้องงั้นเวลาปัญญาเกิดเนี่ยมันตรงเป๊ะเลย สิ่งที่มันหายทอดขึ้นมาเนะี่ยถูกต้องเราหวงความเป็นตัวตนมากนะกว่าจะทําลายได้เนะี่ยต้องสู้กันเยอะเลยเขาเฝ้าเรียนรู้มันลงไปนะทั้งกายทั้งใจเนี่ยให้เห็นความจริงของมันบ่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตถึงจะยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวตนหรอกนะบางคนเห็นทีแรกก็ร้องไห้เลยนะชอบเห็นเราร้องเลยโอ้แต่แลราตัวเราไม่มีหรอเนี่ยทําไมตัวเราหายไปอย่างนั้นล่ะ แคได้ที<ใ>นี้ในชีวดูอีกนะครับในชีวิตประจําวันผมก็มาดูโดยปกติครับให้ให้เห็นว่ามันทํางานยังไงมันแค่ว่าเกิดดับเกิดดับคืออะไรเกิดขึ้นอกิเลสตัวไหนเกิดขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมโดยปกติแล้วผมต้องยอมรับ ว, ว, ว่าผมกับบางครั้งผมก็มีก็คือพอเห็นป๊อปผมก็หันหันหลบหันหลบแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงมันหนักจริงๆก็คืออยู่ที่ทํางานครับน้อ ง, องๆเขาเล่นกันแต่ผมต้องทํางาน มันเกิดโถสะแรงมากมผมก็เลยบอกโอเคผมหยุดทํางานผมไม่ลุกขึ้นหนีแต่ผมนั่งแต่ผมมาดูเลยจังหวะที่ดูมันจะเห็นเลยครับว่านี่คือการกระทบหูแล้วมันปึ๊บที่หูแล้วมันมันมันเป็นสเตตเลยครับว่าใชนน่นี่คือปุงแต่งนี่คือจําได้ไหมรู้นี่ปึ๊บปึ๊แล้วก็เกิดปัญหาคือความอยากจับปุ๊บโถสะถึงขึ้นผ ม, มนเห็นตรงนั้นสักพักหนึ่งมันก็ค่อยค่อย ดับคือมันมันดับแล้วมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดมันกับว่ามันเป็นฉากชาครับจนจนในที่สุดมันค่อยๆบางเบาลงเบาลงจนจนรู้สึกแค่ว่ามีการกระทบนะแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันมีการกระทบผมก็โอเคผมก็นั่งสบายๆแล้วผมลุกขึ้นแต่จังหวะลุกขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันมันมีกับมีหมอกอยู่ภายในมันเป็นหมองเหมือนกับหมอกวันือยู่ภายในครับที่ในในผมก็ เห็นถูกแล้วนะตรงที่เราเห็นเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นช<ๆ>็อตช็อตมานันะเราเห็นวิธีของจิตรับการทำงานเน้่อนที่กิเลสเะเกิดเนียผ่านกระบวนการมาตั้งเยอะหนะ่อนมครับดีเขารู้ฟ้าดูไปนะครับแล้วต่อไปนี้อยู่ไกลไหมอยู่ทุกทรงครับผมมากับรถหาดใหญ่ครับถ้าไม่ได้มาที่นี่นะก็ฟัง YouTube หลวงพ่อนะครับไม่ต้องฟังของคนอื่นนะครับเดี๋ยว พลาดไปเราภาวนาได้ละเอียดแล้ได้ดีและนะ้วครับะแล้วก็การบ้านข้อที่สองผมไปเห็นตอนนั้นผมมีสภาวะเดียวก็คือเห็นเห็นว่าตายแล้วไปไหนอืทีนี้หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปเล่นอืเล่นผมก็ไม่เล่นครับคือเหมือนคำว่ายิ่งไปงานศพในผมยิ่งแย่เลยครับอย่าไม่เข้าไปที่ในงานเด็ดขาดจนมายระยะหลังเนี่ยมีช่วงหนึ่งมันมันเห็นว่าคนเป็นเนี่ยมาจากไหนเอ เอาอ เ, เรื่องเนาะ <c oughs> มันมันค่อนข้างแยแย่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอเคผมก็แค่หลบหน้าพอเห็นปุ๊บก็หลบเห็นผู้กระหลบก็คือพยายามไม่ต้องเพ่งก็คือให้มาอยู่ที่กายเหมือนกับว่าพอเห็นปุ๊บก็ถ้ามากสุดผมก็ตีตีตัวเองให้รู้สึกเก็บ <c oughs> แล้วมันก็โอเคจบแต่มีอยู่ครั้งนึงผมขับรถอยู่แฟนเล่าเล่ า, เ ล, า, เ, ลาเล่าถึงคนหนึ่งคนหนึ่งให้ฟังผมแค่นึกว่าทําไมเขาถึงนิสัยอย่างนี้อื <c oughs> มันเหมือนกับว่าผมเหล็กไม่ทันนะครับมันพุ่งไปเลยครับมันบอกว่ามันมาจากไหนแล้วมันเป็นอะไรมากดอโอ้ยผมแบบแล้วเหมือนกับว่ามันดึงกลับมันจุกในอกครับมันจุกแบบแน่นอ่ครั้งแรกผมโอเคผมผมขยับตัววแล้วจุกนะเพราะเราไปดึงมันครับจุกครับตอนแรกครั้งแรกครับจุกจุกไปแล้วทีนี้แฟนยังเล่าผมก็ตอนนั้นผมนิ่งแฟนยังเล่าแล้วก็มันทึกอีกทีนี้มันไปยิ่งไกลกว่าเดิมเขามา ไอ้ที่มันมานะมันมาอย่างไรแล้วมันตายอย่างไรทีนี้ผมก็เลยแบบดึงทั้งที่สองตอนนั้นผมจะอ้วกไม่ได้เลยครับมันแน่นไปนหมดผมบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนคือมันจะอ้วกแล้วหยุดนวนให้ให้หยุดเล่าก่อนให้ผมขับรถอยู่นะขับรถนนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็รอดมาได้ครับของพวกนี้นะถ้าเราใส่ใจสนใจให้ความสําคัญนะมันยิ่งชัดครับเราพยายามดูกายดูใจของเราอีกไปสนใจเรื่องของคนอื่น ใช่ครับหลวงพ่อตอนเป็นโยมังเขาไวอย่างนั้นแหละแต่ตั้งแต่บวชนี่ยไม่รู้เลยเวลาผีจะมาหาเนี่ยผีต้องมีในหน้าเขาไปบอกคนอื่นก่อนนะแล้วเขามาบอกหลวงพ่อเนี่ยผีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใจเราไม่เอาเลยไม่สนใจเผมมีอยู่เรื่องครับอันนี้อันนี้คือผ่านมาแล้วครับคือไปรู้อยู่ครั้งหนึ่งผมถ่ายรูปให้เขาแล้วผมมันมันปุ๊บมาเลยว่า เนี่ยคือรูปสุดท้ายของเขาอืแต่ผมก็แค่มองว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผมก็แค่โอเคผมถ่ายรูปให้คือไม่มองหน้าเลยครับตอนนั้นไม่มองหน้าเขาก็คือดูเลยว่ารูปนี้เป็นยังไงผมถ่ายรูปเสร็จก็คือขื้นกล้องแล้วผมเดินออกมาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นผมผมิดไหมครับแทนที่จะบอกเขาว่าให้ทํำยังไงอะไรอย่างนี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็ถูกแล้วนี่ไม่ไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมครับไม่ต้องไปไปบอกแล้วเพราะจะว่าบ้าไหมผมว่าอย่างนั้นนะครับ นั่นแทนที่จะดีนะอาจจะร้ายก็ได้ครับอาจจะติดลบมากขึ้นก็ได้เราพอนานะฝึกตนเองดีแล้วค่อยสอนผู้อื่นใหช่วยผู้อื่นหลักที่ครูบาอาจารย์สอนฝึกตัวเองก่อนแม้ว่าเชื่อครูบาอาจารย์ครับว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นครับให้ดูตัวเองดีกว่าใช่ครับไม่งั้นนานบางทีนะครับอย่างไอคนนี้มันมีคู่อาฆาตของมันอยู่ ว่าไข้กำลังจะหักคอแล้วเรารีบบอกเฮ้ยหาอะไรมาคล้องคอไว้ก่อนนะมันแทนที่จะหักคอไน่นมหักคอเราแทนสุดท้ายนี้เรื่องของโลกไปไปยุ่งกับมันครับสุดท้ายนี้ก็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่เต่บัดมาขอให้ท่าสังคารของหลวงพ่อรักษาไว้อยู่านงานนะครับเป็นลมโพล่มไสผหลวงปู่มีทุลีน้อยครับ อะไรน้อยนะตุลีตุลีในดวงตา น, น้อยแ<ล>ม่สำรวจโ <c oughs> บราณโบราณ <c oughs> สาธุสาธุาเออมีลูกศิษย์อย่างนี้ยหลวงพ่อจะอายุยืนมีลูกศิษย์ไม่เไหนนะเ <c oughs> หนื่อยเห็นละเบื่อนะงั้นตั้งอกตั้งใจภ่อนานี่ดีมากๆเลย <c oughs> หลวงพ่อสอนบอกให้ไปดูกิเลสก็ดูจริงๆนะดูได้ละเอียดยิบเลยจชนเห็นอะไระบวนการที่กิเลสเกิดแต่ไม่ต้องเห็นตลอดนะเห็นเท่าที่เห็น ถ้าอยากเห็นตลอดแล้วใช้ไม่ได้คร<บ>ับเอาคนสุดท้ายเบอร์สามโห น, นี้เกินเวลาแล้วก็มาจักการกับหลวงพ่อนี้มาจากทางใต้นะฮะใกลแดงเลยค่ะเดีวมาจากใทแดงเลยเหรอจะมาถามว่าที่ปฏิบัติตัวนี้ไม่ชราบถูกไหมถูกปฏิบัติถทกถูกเมื่อวันที่สี่สุสานี่ค่ะที่ที่เจอที่ของหลวงพ่อ แล้วก็ปฏิบัติตามมาก็มันเห็นเศษที่ที่เกิดขึ้นก่ะเดี๋ยวหลวงพ่อฟังไม่ค่อยได้ยินแต่ได้ยินเป็นบางคําคือลูกปฏิบัติมาวันที่สี่พฤิภานี่ค่ะเพิ่งเจอที่นั่นหลวงพ่อกันดีค่ะพอพอเจอแล้วโอ้ยทำไมกิจมันสว่างเห็นตาเดินไปแจ้วเลยค่ก็ปฏิบัติมาเนี่ยกันยังไม่ทราบว่าผิจเรือถูกแล้วต่อไปนี้เราเริ่มเดินปัญญานะ ดูว่าทุกอย่างสอนมันไปเรื่อยๆว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวสอนนันอย่างนี้บ่อยๆแต่เห็นจิตก็ออกไปก็รู้นะหลวงพ่อไปนั้นไปนี่อะไรนี่แหละดีที่ลูกมาลีบอกว่าเมื่อก่อนเินยังไงอ่ะบอกว่ายายเดินยกนรอหนรมาลีว่าเออถ้ายายไปตลาดกล้าข้ามจะเนบอกไม่กล้ารถคนใจแข้งนี้ได้ไหมบอกว่าให้ยายเอาตะกร้ายู่แล้วก็เดินตลาดโอ้ยอย่างนั้นสบายก็กลับไปตามหลวงพ่อ พอไปทมเสร็จแล้วอู้ปวาดบ้านอี้ทำทำอี้ก็มีบ้านมันไม่ได้กวาดเลยก็เปลี่ยนลงมากวดบ้านให้มีสติมีเท้าซ้ายเท้าขวาเล่มือให้กายก็ทำมาและตามดูก็หลวงก็ไม่ทราบสูกไหมหลวงพ่อฟังไม่ออกใครครฟังออกแต่ให้จีนคือสติมันมาเร็วสติพนองไม่อยู่ อ้ใครที่ฟังเข้าใจอ่ะช่วยแปลให้หลวงพ่อหน่อยอ๋อครับอ่ายายจะบอกว่าคือปกติคือพอตบถ้าเกิดว่ายึดไปก้าวหนอยุดหนอพองหนออะไรเนี้ยถ้าเกิดข้ามถนนก็กลัวว่ารถจะชนก็ต่อไปหรอกครับก็เลยต่อไปก็แค่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันกวาดบ้านถูบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็เห็นให้เห็นว่าเออทาอยู่นะแล้วบางครั้งก็มีพุทโธอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ต้องไปบริกรรมอะไรมากมายหรอกนะพุทโธก็ได้ แต่จะกวาดบ้านนี่ต้องกวาดเนาะขยับเนาะกวาดจนเย็นเนี่ยกวาดยังไม่หมดบ้านเลยบีวิเชียใหญ่ลวงพ่อคือคือแทนที่จะมามาเดินพุดตัพุดตัวก็ทำมาหารไปเลยให้รู้สติทนี่ยจะตีายู่แต่แค่สตินะใชได้มีสติเวลาจะข้ามถนนอย่าไปคองยุบนะลูกมาลีวิเชียร์อยากอยากเห็นแล้วเนาะอหารแล้วเนาะเนียอ๋อ ไม่มีรถหนออันนี้กลับมาแน่เลยนะข้ามหนอเปลี้ยงเลยนี่เจ็ดสิบสามเจ็ดิบสีแล้วนะหลวงพ่อนี่เจ็ดสิบสี่ปีแล้วนะเจ็ดสิบสี่ปีแก่กว่าหลวงพ่อนิดเดียวเองเจ็ดสิบสีแล้วค่ะเดี๋ยมานี้รู้สึกว่าฟ้าเวทนามาด้วยมันจิดหลังอ่ะรถมันแย่แค่ไหนกระเทกเลยหลงพ่อ อ้างไม่ออกเร็วหลวงพ่อนั่งอีกท่านนะคะคือปฏิบัติแล้ววันนั้นก็มันเห็นกระดูกกายนี่มันออกมามันเน้นเจ็บเหกระดูกค่ะแล้วถึงเวลาจะเข้าห้องน้าพอไปไปแล้วไปนั่งที่โถทําไมมันเป็นพวงแล้วมันลำไส้นี่มันเป็นพวงเลยหลวงพ่อก็ตกใจว่าที่ทำไมเนี่ยรายนี้มัน ไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของเราจิตมันมีสมาธิมันเห็นไปอย่างนั้นแหละดีใช์ไม่ปฏิบัติยังไงอีกมีสติไงไม่ว่าจะทำอะไรก็มีสติไปเรื่อยๆเอาเชิญกลับบ้าน